เนบชาขึ้นแล้เท้าประชาไอ้นู่นกับ ช, า, บชามันปวดหลังง่วงนอนแม้กลุ่มเหลือเกินนั่งภาวน า, าวก็กลุ่มที่เราเป็นไปอย่างเงียบเพราะว่าอาชาปาไปทําให้กิเลสกลุ่มกิเลสเนี่ะมันเน่านร้อนที่เรามีอะไรอยู่ในตัวเนี่ยมันก็เริ่มจะตื่นตัวขึ้นถ้ามีโลภโลภก็ามากขึ้นตอนปฏิบัติใหม่ๆเพราะพอนั่งหลับตาเข้าก็อยากจะเห็นหวยสามตัวบ้างอะไรบ้างเนี่ยเรื่องของโลภาทั้งนั้น นั่งหลับตาก็จะเป็นเศรษฐีพอนั่งหับตาเป็นนานๆเข้าบางทีอำนาจของการนั่งหลับตานี้ก็ทําให้อยกากจะได้ราบได้ยศต่างๆขึ้นมาและผลสุดท้ายจะเลยกลายเป็นหมอรับนั่งทางใหมไปจิตคอยดูโชคชะตาชีวิตของคนบ้างดูนรกดูสวรรค์บ้างพ่อแม่ตายไปแล้วไปเกิดคุ้มไหนดูเห็นหมดแต่ตัวเองดูไม่เห็นดูนรกดูสวรรค์เห็นแต่ตัวเองดูไม่เห็น เนี่ยผลสุดท้ายสมาธิก็เป็นมิจฉาสมาธิไปเป็นเครื่องมือของการทำมาหากินของบุคคลบางประเภทไปในที่สุดนี่เพราะอานาจของโลภะโลภะที่มีอยู่มันก็เริ่มจะเร่าร้อนขึ้นล้วเริ่มจะรุนแรงขึ้นคนที่มีความโกรธมากที่อย่างคนโทสัจจริตเวลาทำสมาธิใหม่ๆสังเกตดูให้ดีๆจะรู้สึกว่าอึดอัดใจบางทีความโกรธกับรุนแรงมากขึ้นแทนที่จะลดน้อยลง ความโกรดก็มีมากขึ้นที่เป็นเช่เนีย้ยเพราะว่ายังเริ่มทําใหม่ๆติเลสมันกาลัง ร, างร้อนอยู่มันก็ลุกลามเริ่มจะไม่สบายละปวดนุ่นนิดนี่หน่อยก็ชักบ่นและบางครั้งก็พอแท้ใจเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าผู้นั้นไม่มีกุศลคอยกํากับอยู่ไม่มีสติคอยกํากับอยู่ก็ปฏิบัติได้ไม่ตลอดเช่นพอนั่งสมาธินานาเข้ามันเมื่อยเบือ่อไม่อยากนั่งหรือบางทีบแบบแหมมุมวัวมานั่งหลับตากันอยู่ทําไม นังละครรก็ไม่ได้ดูเพลงก็ไม่ได้ฟังไม่สนุกเนื้อตัวอะไรก็ไม่ได้แปลงไม่ฮะไม่ปฏิบัติดีกว่าผลสุดท้ายก็ละทิ้งการปฏิบัติไปเนี่ยเรื่องกิเลสมันทําให้ร้อนรุ่มไปทั้งนั้นเพราะอำนาจ ก, กิเลสที่ร้อนรุ่มเช่นนี้จึงทําให้เราทอดทิ้งการปฏิบัติและกิเลสที่ร้อนรุ่มก็เนื่องมาจากเราอาปาปะเพราะว่าเราทําความเพียนเมื่อทําความเพียนมากกิเลสมันก็เกิดเกิดความเร่าร้อนขึ้นนี่หมายถึงกิเลสเบื้องต้น ไม่ใช่หมายความว่าเขาปฏิบัติแล้วกิเลสยิ่งมากขึ้นไม่ใช่หมายถึงอย่างนั้นแต่เมื่อเราปฏิบัติไปใช้อาตาปะไปความเร่าร้อนของกิเลสกิเลสที่เราทําลายลงตามลาดับเนี่ยไม่ว่าจะเป็นความโลภความโกรธหรือความหลงถ้าหากว่าผู้นั้นมีความเพียรมากและก็สามารถทําลายกิเลสเหล่านี้ได้ความสงบเย็นก็จะเกิดขึ้นกิเลสเหล่านี้ก็จะหมดไปตามลาดับและตอนนี้แหละเราจะได้รับความเยือกเย็น เมื่อกิเลสหมดแล้วก็ไม่มีอะไรจะมาเร่าร้อนเนี่ยคาว่าอาตาปะในที่นี้ท่านหมายถึงธรรมชาติที่ไปทํากิเลสให้เร่าร้อนเนี่ยโดยความหมายนะความเล่าร้อนของ ก, ก, อกิเลสมันเกิดบ่อยๆแล้วก็ที่จะเป็นความโลภความโกรธหรือความหลงอะไรก็ตามเมื่อมีอยู่ภายในจิตเป็นนิสัยแล้ว ความโลภความโกรธความหลงชิ้นนี้ก็จะเกิดรุนแรงขึ้นนี่เรียกว่าอาตาปาคาว่าภิกคุหรือคำว่านิพกโกพิกคุในในธรรมาลีที่เด็กแสดงเอาไว้นั้นคำว่าพิกขุนี่ถ้าแปลตามศัพท์ก็แปลว่าผู้เห็นภัยในวตาสงสารผู้ใดที่เห็นภัยในวตาสงสารผู้นั้นแหละเรียกว่าภิกสุ อาตาปีนิปโกภิกขุภิกขุในที่นี้หมายถึงผู้เห็นภัยในวัตาสงสารก็มีปัญหาว่ายัางโยมไม่ได้บวชเนี่ยจะเป็นภิกขุได้ไหมจะใช้ภิกขุ ก, กับเขาได้ไหมถ้าโดยความสมมุติแล้วเนี่ยเราใช้ภิกขุไม่ได้เพราะภิกขุนี้จะได้มากรต้องอาศัยอุปัชายอย่างอัตมานี่ พอบวชเข้าก็ต้องอาศัยชื่อของอุปัชายายะหรือพระทุกองค์ที่ท่านบวชเนี่ยต้องใช้ชื่อของอุปัชายายะนะถึงจะถูกตามพระวีไนชื่อที่พ่อแม่ตั้งให้หรือใครตั้งให้นะ่ะใช้ไม่ได้ต้องเอาชื่อของอุปัชายายะเราจะเห็นว่าบางคนก็ได้ชื่อว่าวราธรรมโมภิกขุหรืออย่างอตมาเนิ่กิตติวุฒโภพิกขุนี่อุปัชาย์ให้ท่านตั้งให้เราก็ต้องใช้ชื่อที่ท่านตั้งให้ หรือบางคนชื่อศีลศีลสำปันโนอะไรเหล่านี้ซึ่งก็เป็นชื่อที่อุปชายะให้ั้งนั้นภิกขุในที่นี้ในพุทธภาสิบทนี้ไม่ใช่หมายถึงภิกขุที่บวชเช่นอย่างภิกษุสงฆ์ทั้งหลายแต่ท่านหมายถึงผู้ใดก็าตามที่เห็นภายในวัตฏสงสารผู้นั้นก็ชื่อว่าเป็นภิกขุทั้งหมด คำว่าเห็นภัยในวัตถุงสารเนี่ยเห็นภัยชนิดไหนคือผู้ใดก็ตามที่มีปัญญาเห็นว่าความเกิดขึ้นจะเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาหรือจะเป็นกรมก็ตามเป็นไพรทั้งนั้นเห็นความเกิดเนี่ยเป็นภัยเห็นความแก่เป็นภัยเห็นความเจ็บเป็นภัยเห็นความทุกข์ความเศร้าโศกเสียใจต่างๆเนี่ยเป็นภัยคือเห็นว่าการเกิดหรือการท่องเที่ยวอยู่ในภูมิทั้งสมนี้เป็นภัยเหลือเกิน ผู้ที่เห็นภายในความเกิดอย่างนี้เราเรียกผู้นั้นว่าเป็นพิฆูดได้หรือเป็นภิสูจได้เพราะว่าเป็นผู้เห็นภายในวัะสงสารวัฏสงสารก็คือการเวียนว่ายตายเกิดอย่างที่เรากําลังเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่นี้ก็ถากว่าเราเนี่ยยังอยู่ในวัะสงสารและก็อยู่ในฐานะที่กําลังท่าเทียนปฏิบัติเพื่อจะนําตนให้พ้นจากวัฏสงสารหรือความหมุนเวียนแห่งความทุกข์เช่นเนี้ออกไป แต่ว่าเราจะไปได้เมื่อไรหรือไปไม่ได้นะก็แล้วแต่วาสนาบารมีของแต่ละบุคคลถ้าหากว่าท่านเป็นผู้เห็นภัยเช่นนี้ท่านทั้งหลายก็ชื่อว่าเป็นพิกขุเหมือนกันอยู่ในฐานะที่ชื่อพิกขุได้เพราะว่าเราเนี่ยเห็นภัยในวัาาขสงสารแล้วฉะนั้นในยะแห่งพุทธภาสิบทนี้จะเห็นว่าพระพุทธองค์ได้ตรัสถึงเรื่องหลักธรรม อันจะนำสัรพัตว์นี้บรรลุถึงซึ่งความบริสุทธิ์ได้ถึง6ประการด้วยกันประการต้นนั้นได้ตรัสถเรื่องของศีลประการที่สองได้ตรัสถึงเรื่องของสมาธิและประการที่สมได้ตรัสถึงเรื่องของปัญญาปัญญาในที่นี้ตรัสถึงสประเภทก็รวมเป็น5ประการสุดท้ายก็คืออาตาปีได้แก่ความภาคเพียร หรือความเพียรพยายามเท่านั้นเราจึงจะพ้นจากความทุกข์ได้หรือบรรลุถึงซึ่งความบริสุทธิ์ได้ข้อนี้แหละที่พระพุทธองค์ได้ตรัสเป็นพุทธภาษิว่าวิเยนะทุก ข, ขมัดเจติที่แปลว่า บ, บุคคลย่อมล่วงทุกข์ได้เพราะอาศัยความเพียกรก็แสดงให้เห็นว่าความภาคเพียรพยายามเท่านั้นที่จะทําให้เรานี้พ้นทุกข์ได้คนไหนที่มืออ่อนเท้าอ่อนเป็นคนที่ไม่ขวนขวานในการปฏิมาตนให้พ้นทุกข์ ผู้นั้นก็ไม่มีทางที่จะพ้นไปจากทุกข์ฉะนั้นในพุทธภาศิตบทนี้มีหลักธรรมปฏิบัติไว้ถึงหกข้อด้วยกันสำหรับเรื่องของศีลนั้นท่านทั้งหลายเข้าใจแล้วเรื่องของสมาธิเราก็พอจะเข้าใจแต่เรื่องปัญญาทั้ง3าประเภทเนี่ยมีปัญญาชนิดใดบ้างปัญญาที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไวเป็นเบื้องต้นในประโยคที่ว่าศีเลสะติถายะนโรสปัญญ น, นี้ท่านหมายถึงตัวสัจจิปัญญา สชาติปัญญานี้หมายถึงปัญญาที่เกิดพร้อมกันกับปฏิสนธิจิตอย่างนี้เรียกว่าสชาติปัญญาปัญญาประเภทที่สองนั้นเรียกว่าวิปัสนาปัญญาคือปัญญาที่เราไปรู้รูป ร, รู้นามตามความเป็นจริงปัญญาประเภทที่สามเรียกว่าปาริกะปาริปดว่าปาริหาริกะปัญญา ปาริหาริกะปัญญาซึ่งเป็นปัญญาประเภทที่สามปัญญาทั้งสามประเภทนี้ย่อมเป็นหัวหน้าแนะนําในสันตติิต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งปาริหาริกะปัญญานี้เป็นปัญญาที่สามารถจะแนะนําให้เราเนี่ยประกอบในสันตกิจต่างๆได้โดยถูกต้องก็ต้องอาศัยปัญญาชนิดนี้สชาติปัญญานั้นคือปัญญาที่เราได้รับมาตั้งแต่เกิดแล้วซึ่งในเรื่องของปัญญานี้ เราจะได้วินิจฉัยอีกทีหนึ่งซึ่งอเ น, นตามาจะอธิบายให้ท่านเข้าใจในพุทธภาสิบทนี้เสียก่อนแล้วเราจะได้วินิจฉัยว่าพุทธภาสิทธั้งหลายที่พระพุทธองค์ได้ตรัสมีความหมายเช่นนี้เราวินิจฉัย ใ, ในด้านของการปฏิบัตินั้นจะเป็นประการใดซึ่งโดยไยนี้เราถือหลักของพระจากถาอาจารย์โดยเฉพาะก็คือท่านพุทธโคสาอาจารย์นี้ ท่านได้วินิจฉัยไว้โดยละเอียดว่าหมายถึงหลักการปฏิบัติเช่นใดเรื่องของสภาวธรรมทั้งหกอย่างนี้ท่านได้ยกอุปมาว่าเปรียบเสมือนหนึ่งกับเป็นอาวุธที่จะแพลถานความรบชัดหรือความยุ่งต่างๆที่เกิดขึ้นรุมรุมชีวิตของสตัตว์เหล่านี้ให้หมดไปข้อนี้มีบุคราภิษฐานว่าท่านอุปมาว่าเหมือนกับบุรุษเหมือนบุรุษ ที่ยืนอยู่บ น, บนแผ่นดินบุุษที่ยืนอยู่บนแผ่นดินคือศีลศีลเนี่ยท่านหมายถึงแผ่นดินนะอุปมาเหมือนแแผ่นดินนี้เป็นศีลแล้วช่วยสัตราสัตราในที่นี้ก็คือตัวสัตราวุฒิตัวสัตราวุธในที่นี้คือตัววิปัสนาปัญญา ตาเนี่ยคือวิปัสสนาปัญญาอันรับแล้วด้วยดีอันรับแล้วจากหินด้วยดีคือสมาธิหมายว่าวิปัสสนาปัญญาเนี่ยจะคมกล้าวมากก็เพราะว่ามีสมาธิดีท่านจึงอุปราว่าสมาธิเนี่ยเปรียบเหมือนหินที่รับปัตราเนี่ยคมแล้วอย่างดีที่จะตัดอะไรเนี่ยได้ขาดสมั่นลงด้วยมือมืออุปรมาเหมือนกับปาริหาลิกาปัญญา ปาริหาิกะปัญญาอันกำลังคือความเพียรจึงสามารถสัางความรบชัดเช่นนี้ได้ข้อนี้ถ้าจอุประมาให้ชัดเจนเช่นเสมือนหนึ่งเหมือนว่าเราจะแพร่ถางผ่าดงเช่นเป็นต้นว่าเราจะแพร่ถางป่อไผยซึ่งเต็มบรินามน้กลุงรังทั้งหมดสองเท้าของเราจะต้องยืนอยู่บนแผ่นดิน มือของเราจะต้องถือสัตราก็คือจะต้องถือปลาถือมีดปลาและมีดอันนั้นก็ต้องเป็นปลาที่คมมีดที่คมนอกจากเราถือปลาถือมีดแล้วเราจะต้องมีกําลังกายต้อมที่จยักปันอ่อภัยหรือป่าดงที่ฝังอยู่เบื้องหน้าเนี่ยได้นั่นแหละเราจึงจะแก้ถางน่าอันนี้ได้สําเร็จครานี้ฉัน้นใดการทําลายกิเลสคือตัณหาก็เหมือนกัน กิเลยคือตัณหานี่เราต้องอาศัยปัจจัยคือหนึ่งศีลเพราะศีลนี่อุปมาเหมือนกับแผ่น ด, ดินก็เพราะว่าศีลเนี่ยเป็นรากฐานของกุศลธรรมทั้งปวงเช่นเป็นต้นว่าเราจะทําความดีหรือสร้างกุศลอันใดอันหนึ่งได้สําเร็จและการต้นจะต้องเป็นผู้มีศีลก่อนเมื่อเราเป็นผู้มีศีลแล้วเราจะต้องมีจิตเป็นสมาธิสมาธิเปรียบเหมือนหินสตราในที่นี้หมายถึงปัญญาที่รับมาจากหินที่ดีแล้ว ก็คือผู้ที่มีวิปัสสนาปัญญาอันอาศัยพื้นฐานทางสมถะคือสมาธิเนี่ยมาก่อนปัญญาชนิดนั้นก็เป็นปัญญาที่ข่มกล้าสามารถที่จะถางป่าคือกิเลสอันนี้ให้สำเร็จลงได้ปัจจัยอันสำคัญประการสุดท้ายของการปฏิบัติก็กคือความเพียรความเพียรเนี่ยถือว่าเป็นกำลังสำคัญถ้าหากว่าขาดความเพียรแล้วถึงแม้เราจะยืนอยู่บนแผ่นดินคือเป็นผู้มีศีล ถึงแม้เราจะมีสัตราคือปัญญาถึงแม้เราจะมีหินที่สำหรับรับสตราและให้คมคือสมาธิก็ตามแต่ถ้าเราขาดกำลังคือความเพียรก็ทำลายกิเลสไม่สาเร็จทำกิเลสไม่สาเร็จและไม่สามารถที่จะดับปัญหาต่างๆเหล่านี้ได้เพราะฉะนั้น ต, ตามระยะแห่งพุทธพาสิทบทนี้ที่ท่านอุปมาไว้ เพื่อที่จะให้เราเข้าใจในธรรมะได้ดชัดเจนเพราะว่าทางแห่งความบริสุทธิ์ที่กล่าวนี้จะบริสุทธิ์ได้ต้องอาศัยการถางป่าเมื่อป่ายังไม่ถูกทําลายความรกชัดยังไม่ถูกแพร่ถางเส้นทางที่เราจะดําเนินบริสุทธิ์ไม่ได้ก็จะต้องรกรุงรังเต็มเรียกวากหนามกันต่อไปคือจะบริสุทธิ์ปลอดโปร่ปรงนั่นย่อมไม่ได้ซึ่งอุปมาได้จากชีวิตของมนุษย์ ที่จะแสวงหาความบริสุทธิ์ทางจิตใจถ้าตราบใดเรายังเกาะเกี่ยวอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสหรือยังมีความอยากอยู่ทั้งภายในและภายนอกวิถีทางชีวิตของบุคคลผู้นั้นก็จะหาความปลอดโปร่งไม่ได้เพราะจะต้องถูกเกาะเกี่ยวอยู่ตลอดเวลาจะต้องมีอุปสรรคจะต้องมีความระอื้นอาลัยแต่บุคคลใดที่สมบูรณ์ด้วยกุศลเช่นนี้ คือมีศีลสมาธิปัญญาแล้วท่านก็ถือว่าวิถีทางชีวิตของบุคคลผู้นั้นย่อมมีแต่ความปลอดโปรง่งเพราะว่าเครื่องเครื่องเกลียวรักต่างๆหรือเครื่องร้อยรักต่างๆเนี่ไม่มีอยู่ความสอื่นอะไรก็ย่อมไม่เกิดขึ้นแก่บุคคลเช่นนั้นนี่เป็นข้ออุปมา ถ, ถึงพุทธวัจนะบทนี้สำหรับ ร, ราการมริดไฉนั้นท่านกล่าวว่าบุคคลที่มีปัญญาด้วยปัญญาใด ท่าน้งหลายฟังให้ดีนะบุคคลบุคคลมีปัญญาด้วยปัญญาใดบุคคลนั้นไม่มีกิจที่จะต้องทําด้วยปัญญานั้นอีกนะบุคคลมีปัญญาด้วยปัญญาใดบุคคลนั้นไม่มีกิจที่จะต้องทําด้วยปัญญานั้นอีกเพราะว่าปัญญานั้น ได้สําเร็จลงแล้วด้วยอานุภาพแห่งกรรมเก่าโดยแท้เดี๋ยฟังแล้วเข้าใจยากที่ว่าบุคคลมีปัญญาด้วยปัญญาใดบุคคลนั้นไม่มีกิจที่จะพึงต้องทําด้วยปัญญานั้นอีกแต่ถ้าเราเข้าใจถึงปัญญาสามประเภทแล้วก็หมดปัญหาไม่งงถ้าไม่เข้าใจว่าปัญญาเนี่ยมีสาประเภทที่วบุคคลมีปัญญาด้วยปัญญาใด ก็หมายควาปัญญาของบุคคลที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้มีมาด้วยอํานาจแห่งปาสร์ชาติปัญญาคือมีมาตั้งแต่เกิดแล้วคนคนนี้มีปัญญามาตั้งแต่เกิดแล้วเรียกว่ามีปัญญาด้วยปัญญาบุคคลผู้นี้ไม่มีกิจที่จะต้องทําด้วยปัญญานั้นอีกคือปัญญาที่ตนเองได้มาแล้วอย่างนี้ไม่มีกิจไม่จําเป็นจะต้องไปทําปัญญาเช่นนั้นให้เกิดขึ้นอีกเพราะว่าตนเองมีปัญญามาแล้ว เหมือนกับเรามีความรู้อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องไปเรียนอีกเพราะว่าเราเนี่ยรู้แล้วความเป็นผู้รู้แล้วก็ไม่จําเป็นต้องไปเรียนหรือไม่จําเป็นต้องไปอบรมให้เกิดปัญญาเช่นนั้นขึ้นมาอีก<ส>ก็เพราะว่ามีมีความรู้ความเข้าใจในสิ่งนั้นแล้วเนี่ยความหมายมีอย่างนี้เพราะว่าปัญญานี้สําเร็จแล้วด้วอนุภาพแห่งกรรมเก่าอนุภาพแห่งกรรมเก่าก็คืออนุภาพแห่งการอบรมมาเป็นชาติปางก่อน เพราะบุคคลเหล่านี้มีปัญญามาตั้งแต่ตางก่อนแล้วอบรมมามะ้ากปัญญาเช่นนี้ก็ติดตามมาปัญญาที่ติดตามมาด้วยอำนาจแห่งกรรมเก่าเป็นปัญญาที่ไม่ต้องอบรมอีกเช่นอย่างประชาติดปัญญาอย่างนี้เป็นต้นบุคคลผู้นั้นจะดารงศีลอยู่ได้หมายความว่าเรื่องของปัญญาเนี่ยเราไม่ต้องพูดถึงหลักเพราะคนที่มีปัญญาด้วยปัญญาใด บุคคลตนั้นไม่ต้องไปอบรมปัญญาเช่นนั้นอีกเพราะว่าสำเร็จมาแล้วด้วยอนุภาพแห่งกรรมเกา่าหมายถึงปัญญาที่ได้มาจากชาติปางก่อนไม่จําเป็นต้องอบรมอีกแต่ปัญหามีว่าศีลจะคงอยู่ได้เพราะอะไรเช่นศีลเนี่ยจะดํารงอยู่ได้เพราะอะไรจะเป็นศีลห้าศีลแปดศีลสิบศีลสองรอยี่สิบเจ็ดปัญหาสําคัญว่าเมื่อเราสมาทานศีลแล้วศีลที่เราสมาทานเนี่ยจะไม่ขาดคือคงอยู่ได้เนี่ยต้องอาศัยอะไร ท่านกล่าวว่าในที่นี้ว่าศีลจะดํารงอยู่ได้ต้องอาศัยความเพียรความเพียรเท่านั้นแหละที่จะทําทให้ศีลเนี่ยดํารงอยู่ความเพียรในที่นี้ได้คลุไปถึงความอดทนที่เป็นตัวขันติธรรมด้วยว่าตัวขันติธรรมเท่านั้นที่จะทําทให้คนเนี่ยรักษาศีลได้ถ้าไม่มีขันติคือความอดทนแล้วรักษาศีลไม่ได้ท่านทั้งหลายจะจะทราบได้ว่าจากการที่เรารักษาศีล และก็สินที่มันจะขาดเนี่ยเพราะว่าเรามีความอดทนน้อยหรือขาดขันติธรรมมากเช่นอย่างคนที่ถูกยั่วย้าวบ่อยๆก็ทนต่อความยั่วย้าไม่ไหวผลสุดท้ายก็ต้องร่วงละเมิดต่อศินเนี่ยเพราะเหตุหลักขาดความอดทนหรือขาดความเพียรเพราะสุดท้ายสินที่มีอยู่ก็ขาดไปฉะนั้นความดำรงอยู่ของสินนี้ท่านจึงกล่าวว่า ดำร ง, งอยู่ได้ต้องอาศัยความภาคเพียรต้องอาศัยความอดทนเช่นอดทนต่อความยากลาบากต่างๆเช่นบางครั้งเนี่ยมีสิ่งยั่วเยั่วที่จะทําให้เราเนี่ยท่องละเมิดต่อศีลและธรรมท่านก็กล่าวว่าบุคคลใดก็ตามที่สามารถอดทนผลกลั้นได้แม้กระทั่งลงไปดินทักกล้าอยู่ที่แผ่นดินโดยที่ผู้นั้นหนักไม่ยอมร่วงละเมิดศีล แม้ว่าชีวิตเนจะดาวดิ้นลงก็ตามบุคคลผู้นั้นเป็นที่สันเสริญในธรรมวินัยของพระอริยเจ้าก็หมายความว่าแม้ว่ามันจะแย่ก็เต็มทีแล้วเราก็ไม่เสียศีลอย่างนี้บุคคลผู้นั้นนับเป็นที่สันเสริญฉะนั้นคนใดก็ตามที่ดํารงไว้ซึ่งศีลอันดีหรือความประพฤติอันดีเพราะว่ามีความอดทนอดทนต่อสิ่งต่างๆทั้งที่เป็นอิทธิอารมณและอนิจจอารมณ์ คืออารมณ์ที่ดีและอารมณ์ที่ไม่ดีเนี่ยเราก็สามารถที่จะกดผลได้อย่างนี้จึงจะสามารถรักษาศิล ไ, ได้นี่เป็นเป็นความหมายของอการดำรงอยู่ของศินว่าจะต้องอาศัยความเพียรส่วนคนที่มีปัญญาเป็นเครื่องรักษาตนเนี่ยที่ว่ามีปัญญาเป็นเครื่องรักษาตนหมายถึงปัญญาชนิดไหนจึงเรียกว่าเป็นปัญญาเครื่องรักษาตน คนที่มีปัญญาเป็นเครื่องรักษาตนเพราะว่าเป็นผู้ทำอะไรก็ตามรู้สึกตัวอยู่เสมอคนที่ทำอะไรแล้วก็รู้สึกตัวอยู่เสมอตลอดเวลาไม่หลงลืมตัวหรือไม่ทำอะไรโดยที่ไม่รู้สึกตัวบุคคลนั่นแหละเราเรียกว่าเป็นผู้มีปัญญาเป็นเครื่องรักษาตนคนที่มีปัญญาเป็นเครื่องรักษาตนนี้เป็นหลักประกันได้ว่าบุคคลผู้นี้ไม่ทาบาปและก็ไม่ทาผิดศีลธรรม จะอ้างว่าแม้เสอไปหรือขาดสติสัมปชัญญะไปหรือทําด้วยอํนานาจแทนโมหะคือความไม่รู้ไม่มีคําอ้างเพราะว่าเขารู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาคนที่รู้สึกตัวอยู่ตลอดทั้งทำพูดคิดบุคคลผู้นี้เราเรียกว่าเป็นผู้มีปัญญาเป็นเครื่องรักษาตนถ้ามีปัญญาเป็นเครื่องรักษาตนได้อย่างนี้ก็ไม่ทําทุจริตหรือไม่ทํำบาปต่างๆนี่เป็นความหมายของปัญญาเป็นเครื่องรักษาตนนี้ ที่น่าสังเกตอยู่อีกประการหนึ่งก็คือพุทธภาษิตบทนี้แม้ว่าจะสั้างเพียงนิดเดียวแต่ว่าในพุทธภาษิตบทนี้พระพุทธองค์ได้ประกาศศิกขาสามไว้ในพุทธภาษิตเนี่ยโดยสมบูรณ์ศิกขาสามก็มีศีลสิกขาหรืออธิศีลสิกขาอธิจิตติกขาอธิปัญญาสิกขา อ, อธิสิทศิ์ศิขาก็ได้ตรัสไว้ด้วยอำนาจแห่งศีลอาธิจิตศิกขาก็ตรัสไว้ด้วยอำนาจแห่งสมาธิอาธิปัญญาศิกขาก็ตราสไว้ด้วยอำนาจแห่งปัญญาเท่ากับว่าได้ประกาศศิกขาสามเหล่านี้ให้แก่พุทธบริษัทด้วย <un> นอกจากศิกขาสาแล้วยังได้ประกาศความงามของพระพุทธศาสนาเราความงามของพระพุทธศาสนาหรือความงามแห่งคําสั่งสอนนั้น เราได้ยกย่องคำสอนของพระพุทธองค์ว่าทุกๆทุกๆสูตรที่มีอยู่ในพระสุตตานต ป, ปิดกหรือในวินยัยในพระพิธรรมธรรมะทุกๆประโยคที่พระพุทธองค์ได้ตรัสสั่งสอนไว้นั้นเป็นอาธิกานางมัดเชิยานา ง, นานางและประโยชน์สาระกายานางหมายความว่าพระธรรมที่พระพุทธองค์ได้แสดงนั้นงามในเบื้องต้นงามในข้ามกลางและงามในที่สุด เนี the the ่เป็นความงดงามของพระศาสนาอะไรที่เป็นความงามในเบื้องต้นอะไรที่เป็นความงามในท่ามกลางและอะไรเป็นความงามในที่สุดของพระพุทธศาสนาท่านกล่าวว่าศีลเป็นความงามในเบื้องต้นแห่งพระพุทธศาสนาเพราะว่าศีลนี้เป็นเบื้องต้นแห่งกุศลกรรมทั้งปวงบุคคลจะทําความดีหรือสร้างกุศลอันใดได้สาเร็จจะต้องเป็นผู้ตั้งมั่นอยู่ในศีลเสียก่อน คือเป็นผู้มีศีลก่อนแล้วจึงจะทำกุศลอื่นๆได้สาเร็จเนี่ยเป็นประเพณีที่เราปฏิบัติกันมามเช่นอย่างเราจะถวายทานเราก็จะต้องสมาทานศีลก่อนพอสมาทานศีลเสร็จแล้วเราจึงถวายทานหรือถวายสิ่งอื่นๆที่เป็นสมบัติของศาสนาอันเป็นเรื่องของการทำบุญทำกุศลแล้วเรามักนิยมรับศีลกันก่อนเพราะว่าศีลเป็นเบื้องต้นของกุศล หรือเบื้องต้นของความดีนี่สีนจึงเป็นอาธิกรารนนะั่นแปลว่าเป็นความงามของพระพุทธศาสนาในเบื้องต้นและที่สุดของสินนี้หรือคุณแห่งสินนั้นเพราะนำมาซึ่งคุณคือความไม่เดือดร้อนใจหมายความว่าผู้ใดที่ตั้งมั่นแล้วในสีนผู้นั้นย่อมไม่เดือดร้อนใจสินจะทำคุณประโยชน์ให้ก็คือเราไม่ต้องเดือดร้อนใจเลย เพราะความเดือดร้อนใจเกิดมาจากความไม่มีศีลอย่างใจเร่าร้อนก็เนึ่งมาจากการกระทําทางกายและทางวาจาเช่นถ้าใช้วาจาผิดก็ทําให้ใจเร่าร้อนถ้ากระทําทางกายผิดก็ทําให้ใจเร่าร้อนเมื่อมีศีลแล้วเราไม่ทําผิดทางกายทางวาจาความเร่าร้อนก็ไม่เกิดขึ้นศีลจึงนํามาซึ่งความไม่เดือดร้อนใจเนี่ยเป็นความงามของพระพุทธศาสนาในเบื้องต้น สมาธิเป็นความงามในท่ามกลางก็เพราะว่าสมาธินั้นยังกุศลให้ถึงพร้อมบริบูรณ์ผู้ที่ทำสมาธิท่านจึงถือว่าเป็นผู้ทำกุศลเนี่ยสมบูรณ์แล้วมีกุศลโดยสมบูรณ์แล้วความสมบูรณ์ของกุศลมาอยู่ที่สมาธิเพราะว่าสมาธินี้นำมาซึ่งคุณคืออิทธิวิธี อิทธิวิธีในหมายถึงความเป็นผู้มีฤทธิ์เช่นอย่างการเหาะเหินเดินอากาศต่างๆเหล่านี้เราเรียกว่าเป็นไปด้วยอำนาจของอิทธิวิธีสมาธิจึงนางมาซึ่งคุณคืออิทธิวิธีเป็นความงามของพระพุทธศาสนาในท่ามกลางความงามของพระพุทธศาสนานั้นมีปัญญาเป็นที่สุดเป็นปรโยสานะกริยานาง เพราะว่าปัญญานี้นำมาซึ่งความเป็นผู้คงที่นำมาซึ่งความเป็นผู้คงที่ในกิจทารลมและอนิจจารลมข้อนี้มีพุทธภาสิตที่ปรัสว่าผู้เคาหินผู้เคาหินเป็นแท่งทึบย่อมไม่สะเทือนด้วยลมฉันใดที่พระองค์องกลางผู้เคาหินที่เป็นแท่งทึบ ย่อมไม่สะเทือนด้วยลมฉันใดบัณฑิตทั้งหลายย่อมไม่หวั่นไหวในเพราะทานดินทาและสันเสริญฉะนั้นท่านอุปมาว่าภูเขาหินเนี่ยลมจะพัดมาสักเท่าไรก็าตามภูเขาหินไม่เคยหวั่นไหวคงที่อยู่ตลอดเวลาบัณฑิตทั้งหลาย คือผู้ที่มีปัญญาทั้งหลายก็ไม่หวั่นไหวาะคำนินทาและคำสันเสริญหมายความว่าใครจะนินทาใครจะสันเสริญก็ไม่ทำให้จิตของผู้ที่เป็นบัณฑิตเนี่ยหวั่นไหวได้ทำไมจึงไม่หวั่นไหวเ พ, เพราะบัณฑิตเป็นผู้มีปัญญารู้แล้วว่าคำดินทานั้นเกิดมาจากผู้ทุศีน ค, คำสันเสริญก็เกิดมาจากบุคคลที่เป็นผลแห่งความดีที่ตนเองกระทา เพราะฉะนั้นเมื่อเป็นผู้เข้าใจเช่นนี้แล้วก็ไม่วางไหว<ม>คือไม่ดีใจเมื่อมีค น, นสังเสริญ<ม>ไม่เสียใจเมื่อถูกนินทาเพราะย่อมเข้าใจว่าคนทุศีลย่อมนินทาคนอื่น <c oughs> คนมีศีลย่อมไม่นินทาคน <c oughs> บัณฑิตย่อมเข้าใจอย่างนี้เพราะฉะนั้นบัณฑิตจึงไม่หวัางไหวด้วยลมฉันใด <c oughs> นี่เป็นเป็นการแสดงให้เห็นถึงปัญญาว่างามในที่สุด <c oughs> สามารถทาจิตของบุคคลเนี่ยให้คงที่ได้ คงที่เนี่ยคือมั่นคงไม่หวั่นไหวด้วยอิจธารณมและอนิจธารณมคำนินทานเป็นอนิจธารณมใครๆก็ไม่ชอบคำสัรเสริญเป็นอิจธารณมใครๆชอบแต่บัณฑิเนี่ยไม่หวั่นไหวโดยปกติแล้วเราดีใจเมื่อมีคนสรรเสริญเราเสียใจเมื่อถูกนินทาแต่คนที่อบรมปัญญาเกิด็เขาไม่หวั่นไหวทั้งนั้นทั้งสองอย่างนินทาก็ไม่หวั่นไหวสันเสริญก็ไม่หวั่นไหว นี่เพราะเป็นผู้คงที่ปัญญาจึงเป็นความงามในที่สุดเป็นปาริโยสานกริยางงามเป็นความงามของพระพุทธศาสนาในที่สุดที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยในอย่างนี้นอกจากนั้นพุทธภาษิตบทนี้ที่ได้ตรัสไว้ถึงศีลสมาธิและปัญญานั้นศีล น, นี้ยังเป็นอุปปิสัยปัจจัยแห่งวิชาสาม วิชาสามเนี่ยคือปุเพนิวาสานุสติยานจุตูปปาตยานอาสวัคคยายานคือยานที่ระลึกถึงชาติในอดีตได้ว่าปุเพนิวาสานุสติยานจุตูปปาตยานคือยานที่ยังรู้ถึงจุติและปฏิสมธิของสัตว์อาสวัคคัยายานคือยานที่ยังรู้ถึงความสิ้นไปแห่งอาสวัคเเลสยานทั้งสามนี้จะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยสิ่สมบัติ ถ้าไม่มีศีลเป็นสมบัติแล้ววิชาสามนี้เกิดขึ้นไม่ได้เพราะฉะนั้นก็น อ, อาศัยศีลจึงได้บรรลุถึงซึ่งวิชาสามบุคคลที่บรรลุถึงซึ่งสมาธิก็ได้บรรลุถึงซึ่งอภิภน ญ, ญาหกบุคคลที่บรรลุถึงซึ่งความเป็นผู้มีปัญญาย่อมเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยปฏิสัมพิทาญาณสี่ปัญญาทําให้ได้บรรลุถึงซึ่งปฏิสัมพิทาญาณสี่ เพราะฉะนั้นจึงเป็นการประกาศแห่งอุปริสัยในวิชาสามในอภิน ญ, ญาหกและในปฏิสัมพิทาสี่ด้วยและ <c oughs> พุทธภาษิตบทนี้ยังเป็นการแสดงให้ถึงการเว้นในส่วนสุดหรือการเว้นในส่วนที่เป็นที่สุดคือส่วนนี้หมายถึงทางปฏิบัติทางปฏิบัตนินี้ท่านจะแนกไว้อยู่สามทางเ้วยกันทางหนึ่งเป็นการมาสุขัธิการมฐ า, านิโยก ทางหนึ่งเป็นอัตตคิรัมฐานุโยกทางหนึ่งเป็นมัชชิมาปฏิปทาการกตรัสุทธภาษิตบทเนี้ทำให้เว้นในส่วนทั้งสามและปฏิบัติโดยถูกต้องได้เพราะผู้ที่สมบูรณ์แล้วด้วยศีลย่อมเว้นในการมัสุขันติกานุโยกผู้ที่พร้อมด้วยสมาธิย่อมเว้นในอัตตคิรัมฐานุโยกผู้ที่ถึงพร้อมด้วยปัญญาย่อมถึงพร้อมด้วยมัชชิมาปฏิบัติ เป็นผู้ปฏิบัติางกลางคือเดินตามทางสายกลางได้ก็โดยอาศัยศีลสมาธิปัญญาทั้งสามนี้ก็เท่ากับว่าได้เว้นส่วนอันเป็นที่สุขและสร้างอยู่ในมัชิมาปฏิปทานอกจากนั้นยังเป็นอุบายเครื่องข้ามพ้นจากอบายอีกด้วยเป็นอุบายเครื่องข้ามพ้นจากอบาย